ตามไปกับลมที่เดินผ่านจมูกเข้าไปจุดกลางตรงหัวใจลงไปสุดแถวสะดือแล้วตามลมจากท้องขึ้นมาที่อกแล้วออกมาที่จมูกเป็นต้นลมกลางลมปลายลมถ้าทำอย่างนั้นทั้งกายใจจะปั่นป่วนบุ้นวายเสียผลวิธีติดตามที่ถูกต้องคือใช้สติตามลมอยู่ตรงจุดที่ลมกระทบคือที่ปลายจมูกหรือริมฟีปากบนนั่นแหละ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 ไม่ช้าลมก็จะปรากฏแล้วกำหนดอารมณ์กรรมฐานนั้นต่อเรื่อยไปไม่นานนิมิตก็จะปรากฏนิมิตนั้นปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกันบ้างก็รู้สึกเหมือนปุยนุ่นบ้างเหมือนปุยฝ้ายบ้างว่าเหมือนสายลมบางท่านปรากฏเหมือนดวงดาวหรือเหมือนเม็ดมณีบ้างไข่มุกบ้างเม็ดฝ้ายหรือเสี้ยนไม้ซึ่งมีสัมผัสหยาบบ้าง เหมือนสายสังวาลบ้างพวงดอกไม้บ้างเปลวควันบ้างคายใยแมงมุมบ้างแผ่นเมฆบ้างดอกบัวบ้างล้อรถบ้างตลอดจนเหมือนวงพระจันทร์หรือวงพระอาทิต์ก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะนิมิตนั้นเป็นของเกิดจากสัญญาและสัญญาของคนแต่ละคนก็ต่างๆกันไปเมื่อได้นิมิตแล้วก็ไปบอกอาจารย์ให้ทราบ เป็นการตรวจสอบไปในตัวกันเข้าใจผิดตอนนั้นก็คอยตั้งจิตไว้ในนิมิตนั้นเรื่อยๆเมื่อนิมิตนี้คือนิมิตที่เป็นปฏิภาคนิมิตนี้เกิดขึ้นนิวรก็ระงับสติมั่นคงจิตตั้งแนวเป็นอุปจาระสมาธิผู้ปฏิบัติต้องพยายามรักษานิมิตนั้นไว้ซึ่งก็คือรักษาสมาธิด้วยนั่นเองโดยเว้นอสัปปายะ เสพสัพปายะเจ็ดมณสิการบ่อยๆให้นิมิตเจริญงอกงามโดยปฏิบัติตามวิธีการที่จะช่วยให้เกิดอัปปนาหรือที่เรียกเป็นศัพท์ว่าอัปปนาโกสลสิ์เช่นประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอเป็นต้นจนในที่สุดอัปปนาสมาธิก็จะเกิดขึ้นบรรลุ ป, ปถมฌาน